ชีวิตวันหนึ่งคืนหนึ่งการป่วยไข้เนี่ยเป็นทั้งวิกฤตและก็โอกาสวิกฤตก็คือทําให้เรามีความทุกข์จิตเป็นทุกข์กายเป็นทุกข์แต่โอกาสก็คือเปิดโอกาสให้เราได้ฝึกจิตฝนใจให้ปล่อยวาง ถ้าหากว่าเราเกิดความคิดฟุ้งซ่านเกิดความมิต o กงังวลสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเราจะไปคิดต่อเราจะปล่อยจิตปล่อยใจใคิดไปตามเรื่องราวที่เรากางังวลการไปคิดต่อเรื่องราวหรือไปหาเหตุหาผลเอาถูกเอาผิดนั้นมันทําให้เรื่องราวนี่มันยาวยืดยาวมันทําให้ฟุ้งซ่าน และความทุกข์จะตกแต่เราทันทีเลยถ้าเราไม่รู้จักหยุดไม่คิดตามถ้าเราจะคิดก็ขอให้คิดไปในทางที่ออกจากปัญหาอย่างเช่นคิดสอนจิตสอนใจเราผู้ที่นอนไม่หลับเพราะความคิดลองสอนใจเราบ้างสิว่าเวลานี้ เป็นเวลานอนไม่ใช่เวลาคิดเราคิดมาทั้งวันแล้ววันนี้ถึงเวลานอนแล้วเราต้องนอนเนี่ยเนี่ยต้องสอนมาหรือสำหรับนักปฏิบัติก็คือเวลานี้ไม่ใช่เวลาคิดเป็นเวลาภาวนาเป็นเวลาเจริญสติไม่ใช่เวลาคิดเราคิดมาตลอดแล้วตอนนี้ขอหยุดคิดเพื่อเจริญสติหน่อย จิตใจเนี่ยถ้าเรารู้จักสอนมันแบบไม่บังคับไม่กดข่มเนี่ยสอนสบายๆแล้วเขาก็จะเชื่อเราได้เหมือนกันสหรับนักปฏิบัตินักภาวนาเนี่ยการมีสติรู้กายให้ต่อเนื่องนานๆขยันที่จะรู้กายบ่อยๆมันเป็นการสอนจิตแม่มันเล่ร่อนไปในอารมณ์ต่างๆแม่มันไปคิดหรือแม่มันไปวิตกกังวล จิตใจมันจะอยู่กับเนื้อกับตัวเรืยว่าจิตอยู่กับกายหรือถ้าเราเจริญสติต่อเนื่องมีสติรู้กายต่อเนื่องสติเนี่ยมันจะช่วยตัดความคิดตัดความคิดเป็นระยะระยะไม่มันคิดเปเรื่องไปราวแล้วความมีตกกังวลเนี่ยมันก็จะไม่เกิดขึ้นไอ้เรื่องราวเกิดขึ้นเพราะเราคิดต่อเนื่อง สติจะช่วยอัดความคิดให้มันขาดเป็นขณะขณะขณะมันจะได้ไม่ตอดไปเรื่องรล่าเนี่ยแล้วต่อมาเราก็จะเห็นรูปเห็นนามการมีสติรู้กายต่อเนื่อง น, น, นานๆเนี่ยทำให้เราเห็นรูปเห็นนามได้พอเห็นรูปเห็นนามแล้วเราก็จเจริญธรรมได้เรื่อยๆ